พระธรรมเทศนาแผ่นที่แปสบหลำดับที่สโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่ห้าตุลาคม2558้าห้าสิบมีชื่อเรื่องว่าหลวงตาพาเดินเราะวันนี้เป็นวัน พระแรมแปดค่ำเดือนสิบตรงกับวันที่ห้าตุลาคมพฤษศกราชสองพันห้ารอยห้าสิบแปดอีกสามวันอีกสามอาทิตย์แล้วอีกสามวันพระวันพระหนึ่งช่วงวันพระหนึ่งก็เจ็ดวันอีกสามวันพระพอเราจะได้เป็นวันออกพรรษา วันปวารณาจากนั้นก็เป็นวันที่8พุจจิกายนเป็นวันกระถินของพวกเราเป็นตามขั้นตอนงานของเราในช่วงนี้ก็คงจะหนักหนาไปเรื่อยๆแต่ทิ้งยังไงพระอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวเมื่อเช้า พระลูกหลานทุกองพยายามเรียนคำคำประวัรณาออกพรรษาและก็พระที่เกี่ยวข้องกับกะถินก็ให้เลือกสรรกันให้มันเข้ากันได้เสียงให้มันเข้ากันไม่ต้องเกรงใจไม่ตู้กหน้าปาะจมูกตามพรรษาไม่ต้องพูดกันให้พวกท่านลงทั้งหลายลงมติกันแต่มันเสียงไม่เข้ากัน การพวกท่านทั้งหลายกคัดกันให้มันเข้ากันให้ได้แต่ไกรผู้ที่เสียงไม่เข้ามู่ก็ให้รู้จักตัวเองต้องเปิดโอกาสเปิดโอกาสให้ใหผู้อื่นเป็นองค์สวดหรือเป็นองค์ทําหน้าที่แทนเพื่นให้พวกท่านทั้งหลายคัดเลือกคัดสรรกันอีก จากนี้ไปเขาไม่นานแต่เราเตรียมพร้อมไว้แล้วก็ไม่มีปัญหาแต่เราไม่ได้เตรียมพร้อมมนะันวันนั้นมาถึงก็รู้สึกว่าชกรละหุกมันกันนะแต่สำหรับศรัทธาญาติโยมชาวบ้านก็ใกล้ๆกว่านี้เราคงจะค่อยดูกันเพราะช่วงนี้ก็เป็นช่วง เราก็ระวังเหมือนกันระวังฝนทราบข่าวมาว่าฝนจะมาพายุจะเข้ามาเราก็พยายามดูดไปก่อนถ้าเราทำอะไรลงไปก็คงจะเสียหายไม่เกิดประโยชน์ทำซ้ำสองซ้ำสามการจะทำงานจริงไหนก็ตามต้องดูแต่ควรจะทำให้เนินๆก็มี ถ้าว่าเราทำเนินมันเสียหายเราก็ไม่ควรจะทำให้เนินสรุปแล้วก็คือให้รู้จักการสถานที่กาละเทสะนะารแต่เราวางตรงจุดตรงหมายแล้วก็มันก็ได้ดีไม่มีปัญหาอันนี้ก็คือเรื่องพูดเรื่องเกี่ยวกับภายในวัดตัวการงานของพวกเราที่จะต้องช่วยกันคิด คนในกลุ่มของพวกเราจะต้องได้ช่วยกันคิดปรับปรุงแก้ไขเรื่อการดำเนินพวกเราทุกๆุองคือให้พกมองไปข้างหน้าทุกองทุกองทุกองทุกคนการอยู่ด้วยกันให้มองไปข้างหน้าเราจะทำอะไรในวันต่อไปนี้ และก็พร้อมกันไม่ใช่แต่วางแต่งงานเฉยๆนะคณะทศไทยญาติโยมลูกหลานวางกระทั่งชีวิตของตัวเองด้วยชีวิตของเราเนี่ยใครรับประกันได้ว่าจะอยู่เท่านั้นปีเท่านั้นเดือนไม่มีใครรับประกันได้เพราะนั้นคําว่ารับรับประกันไม่ได้คํานี้แหละแปลว่าเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่า อายุของเราน้อยไม่ถึงร้อยปีคือร้อยปีเนี่ยแปลว่าอยู่ด้วยการเต็มที่แล้วถ้าเกินร้อยปีไปแล้วแปลว่าอยู่ด้วยความชลาภาพความชลาภาพคนเกินร้อยปีแ้ะช่วยตนเองไม่ได้ต้องอาศัยคนอื่นพยงุงต้องอาศัยคนอื่นประคับประคองถ้าเกินร้อยปีไปแล้วพัน้นถตาร้อยปีลงมาเนี่ก็ ย่ำแย่เต็มทนเพราะนั้นชีวิตของพวกเราถึงจะยืนไปจะยืนเพียงแค่นั้นล่ะเดี๋ยวนี้เราเท่าไหร่แต่หลวงพอ่อนับดูแล้วยังเหลือเท่าไหร่หลวงพ่อรู้แก่ใจพวกคณะสัตธาญาติโยมทุกคนก็ควรจะนึกคิดอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอันนี้หลวงพ่อเคยย้ำกล่าวเตือนอยู่เสมอว่ามิใช่เอาความตายมาคูกัน เพียงแต่ว่าชี้ประเด็นให้ดูว่าพวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทถ้าว่าพวกเราตั้งอยู่ในความประมาทไม่คิดว่าวันนั้นจะมาถึงพอวันนั้นมาถึงเร็วอื่นไปเราก็จะตั้งตัวไม่ติดเพราะเหตุหายเพราะเราไม่ได้คิดล่วงหน้าไว้ก่อนแต่ถ้าว่าเราคิดล่วงหน้าไว้ก่อนแต่เนิ่นๆอย่างเนี้ถ้ามันมาถึงเมื่อไหร่เราก็ได้ เฮ้ยเราได้คิดไว้ก่อนหน้านี้มากต่อมากแล้วเอาเถอะมันจะทำยังไงได้ชีวิตของเรามันก็ต้องมีจุดจบอีกสักวันหนึ่งเราก็คิดไว้แล้วแต่ไม่รู้ว่าวันไหนวันนี้เหรอวันนี้เหรอมาถึงเราแล้วเหรอเนี่ยเราก็จะได้รู้ได้เพราะเราจะคิดล่วงหน้าไว้ก่อนเพราะนั้นการที่คิดล่วงหน้าไว้ก่อนดีกว่าไม่คิดสรุปแล้วนะ เพราะนั้นพระพุทธเจ้าถึงท่านจึงให้คิดไว้ก่อนเพราะนั้นพวกเราผุนพุทธศาสนิกชนเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าควรจะวางแผนชีวิตของตนเองอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปให้ระลึกถึงบุญกุศลที่จะเข้ามาสู่จิตใจของเราการส ะ, สะแสวงหาทรัพยสะสะ์ภายนอกการสะแสวงหาความสุขภายนอก เราก็แ ส, สวงหาตามอัตภาพแต่ว่าการแ ส, สวงหาบุญกุศลเข้าสู่จิตใจพวกเราจะห่างเหินเกินไปไม่สนใจสเสลยไม่ได้ใส่ใจสเสลยห่างเกินไปก็ไม่น่าจะถูกอีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งสองอย่างทั้งอาหารกายทั้งอาหารใจพวกเราคนควรจะไปด้วยกัน อาหารกายก็จะให้ขาดตกปกพ้องขานดํารงชีพนะให้เป็นไปแต่อาหารใจใการสแสวงหาความสุขเข้าทางจิตใจเดินยกตรงนั่มตั้งภาวนาให้ทานรักษาศีลภาวนาประกอบคุณงามความดีสัมมาชีพอันนี้เราก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องเพื่อให้พวกเราใส่ใจสนใจทั้งสองอย่างทั้งอาหารกายทั้งอาหารใจ แต่อาหารใจกอหลวงพ่อเคยเล่าเคยพูดไม่รู้ว่ากี่ครั้งถูกกี่หนให้พวกเรานั่งภาวนานอาหารใจอาหารใจที่เป็นความสุขจริงๆนะอาหารที่เป็นหลักเป็นน้ําเป็นเนื้อจริงๆที่จะได้มักได้ผลจริงๆก็คือเรื่องภาวนานะภาวนานี่ยนะเป็นอาหารอาหารข้าทางทจิตใจเป็นน้ําเป็นเนื้อจริงๆอาหารส่วนอื่นคล้ายๆกับว่า ป ล, ปลายะแต่อาหารภาวนาเนี่ยในหลักธรรมคำสอนของพุทธะท่านให้เน้นจุดนี้ที่จะถึงมรรคถึงผลถึงจุดหมายปลายทางได้จริงๆน่คือจุดนี้แต่สมัยครั้งพระพุทธเจ้าสเสวยพระชาติอยู่ท่านเป็นฤาษีชีไพรท่านก็บำเพ็ญแบบฤาษีชีไพรมีแต่แพ้งตะปาเกสิน เพ่งน้ำเพ่งเพ่งลมเพ่งไฟ เ, เพ่งอากาศหลายๆอย่างเพ่งสีเขียวสีแดงสีเหลืองเออแอนเพ่งแต่พอพระพุทธองค์ได้ตดรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วเอท่านไม่เพ่งออกข้างนอกแตท่านเพ่งเข้ามาข้างในเท่นี่าการภาวนาของโอ้กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกครู้หายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกแต่เมื่อลมหายใจเข้าออกแล้วพระไทยใจของพระองค์ ร, รวมสงบลงเป็นหนึ่งาจากนั้นน่ะเกิดญาติรัศนะเกิดฌานจากนั้นก็เห็นจวนจะสว่างพระพระธองค์ก็เนะเออ ใจตรงนี้มาจากไหนผู้รู้ดวงนี้ใจตรงนี้มาจากไหนจากนั้นพระองค์ก็ย้อนไปดูพอพระองค์ย้อนดูสรรพสัตว์ทั้งหลายมาแล้วก็ย้อนดูพระไทยของพระองค์ย้อนดูใจของพระองค์มาจากไหนพระองค์ก็บอกว่าย้อนย้อนไปถึงที่สุดอวิชชาปัจจายาสร้างฆารามาจากความโง่มาจากตัวไม่รู้คือตัวอวิชชา อ่าวิชาคือความรู้อวิชาคือตัวไม่รู้คือตัวงโง่อวิชาปัจ ย, ยาสร้างฆ่าราเกิดจังขานวิญญาณจนถึงโสกะผริเทวทุกขโทมณฑุก ร, รองให้พิไรรำพันทุกโศกทั้งหลายทั้งปวนออกมามันออกมาจากจุดนั้นคือตัวตัวไม่รู้นั่นจากนั้นพระองค์ก็ได้ชํำละพระองค์พระไทยของพระองค์ ช่ำระใจของพระองค์มันมีอะไรจะมาเวียนไหวตายเกิดท่านดูแล้วมันเป็นกิเลสกิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหาโลภโกรหลงจากนั้นพระองค์ช่ำระกิเลสสามตัวใหญ่จากนั้นพระทัยของพระองค์ก็บริสุทธิ์แบ่งภาระโป่งปงภาระสลัดทิ้งจิตใจของพระองค์เป็นบริสุทธิ์ในเมื่อบริสุทธิ์ก็หลุดพ้นจากอาสวะกิเลส เป็นพระอนุตรสัมมาสัมพุทสัมโพธิญาณคือไม่ใช่ไม่ใช่อื่นไกลนะถ้าเราได้สังเกตได้ฟังดูแล้วคือใจของพระพุทธเจ้าพระทัยของพระพุทธเจ้าตัวผู้รู้ของพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณในเมื่อใจได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วร่างกายก็เป็นร่างเป็นร่างกายของพระโพธิญาณเป็นร่างกายของพระพุพะทธเจ้า ตาหูจมูกเล่นกายทั้งหลายก็เป็นเป็นของพระพุทธเจ้าบริษัทบริวารอุบาสกอุบาสิกาผู้ให้อาหารการวิริภคเป็นลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเสนาชนะที่พักปลาสายัยกุฏิวิหารวัดวาศาสนาก็เป็นวัดวาของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็คือใจของพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าซะก่อนนะสิ่งเราอื่นตามมาเพราะนั้น เรื่องใจเนี่เป็นเรื่องที่สําคัญจริงๆอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามนโนปุพังจริงๆนะมโนปุพังขมาธรร ม, มามนโนเสรามนโนมายาเรื่องทั้งหลายทั้งปวงมีมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละอันนี้คือวิถีทางวิถีเออวิถีของพุทธะนะถ้าได้มาพูดถึงวิถีขององค์หลวงตาที่ที่านแนะนําสั่งสอนพวกเราได้ยิน ได้ฟังแนวปฏิปทานแนวความคิดของท่านท่านบอกว่าท่านเรียนหนังสือมาอจนพรรษาท่านหกเจ็ดพรรษาจากนั้นท่านก็ภาวนาในการภาวนาของท่านมันก็ขึ้นขึ้นลงล ง, ลงเกิดเกิดเสือ่อมเสื่อมบางทีก็เสื่อมบางทีก็ไปได้ดีจากนั้นท่านก็มาทํามามาพักที่บ้านของท่านมา ท, ทํากรดทันว่านะ พอ ม, มาทําโกรธใจมันเสื่อมนใจมันหลุดโต้มัมนเหมือนกับเก่งเหมือนกับคคกเก้งตกภูเขาลักษณะนะั้นเราคิดว่าคงจะมามามาหารุ่นกิเลสเก่านะหลว ง, งพ่อว่านะมาเกี่ยวทเที่ยวบ้านมาอยู่บ้านนะคงจะเห็นอะไรต่อไม่อะไรอหลวงตาก็คงจะไม่แพ้เราเราก็คงไม่แพ้หลวงตาในใ น, ในช่วงพรรษายี่สบ อายุายี่สิบกปีน่ะกำลังหนุ่มแน่นอกิเลสตัเกา่าคงจะเข้ามากะมัง่งเราคิดเดานะแต่ท่านก็ไม่ได้พูดถึงอย่างนี้หรอกอแต่ท่านก็บอกว่ามันเหมือนกับมันกิเลสมันไหลลงไปเ อ, อกิ้งลงไปเหมือนกับโคกเลือก้อนหิน ก, กลมกลมเก้งลงจากเขาเราจะนั่นลนะมันตกตุ้มในใจมดอะไรตายอยากทันวันะไม่มีอะไรในตัว มีแต่นี่มีแต่หัวล้นกับพาเหลืองมีแต่อิตะ บ, บัวท่านว่านะท่านพูดท่านพูดเป็นคำขำของท่านนะเออไม่มีอะไรในใจสิ่งที่จะยึดเหนี่ยวมันหมดจริงๆ ร, ร้อนอยู่หวับปรับจากนั้นท่านเขาเข้าไปเข้าไปอยู่กับหลวงปู่มันท่านว่ามันเสื่อมอยู่ตั้งปีห้าเดือนนะ่ะนี่ท่านพูดให้ฟังนะให้ท่านพูดใจของท่านมันเสื่อมอยู่ปีห้าเดือนมันมันหาที่เกาะที่ยึดไปได้ ร้อนตลอดอจากนั้นเออเราเราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้บริกรรมสำทับพุทธโธด้วยหรือเปล่านาะหลวงปู่มั่นท่านบอกเอยภาวนาเนี่ยเอถ้ากําหนดเฉยๆนั้มันหลุดได้ง่ายนะมาหานะต้องสำทับพุทธโธนะท่านเอเอพราะเราเนี่ยไม่ได้สำพุทสำทับพุทธโธหรือเปล่าทําไมมันจึงหลง ทำไมมันยังหลุดไปอย่างนี้เอาเถอะตั้งตั้งต้นใหม่ตั้งท่าใหม่เราจะสำทับหายใจเข้าพดหายใจออกโธเท่านั้นบาดเนี้บังคับท่านบอกว่าวันวันแรกบังคับวันแรกโอ้โหเออเหมือนอกจะแตกเลยทีนี้คล้ายๆกับวมอมมันไม่มีที่ออกในใจของเรามันพยายามปีนออกนอกรูนอกทางจนพอแรงท่านว่างนะ วันที่สองก็ไม่แพ้กันกับวันที่หนึ่งพอวันที่สามรู้สึกเบาลงทีนี้คล้ายๆว่าสติของเราแข้มแข็งขึ้นพอวันที่สี่ต่างเห็นเห็นผลเห็นผลชัดเจนสติของเราควบคุมคล้ายๆกับว่าวันใหม่คล้ายว่าตลมก็ตลมบอนกันอุดตลดมางั้นแต่ะถ้าเป็นนักมวยก็ไม่รู้ว่าสอกไม่รู้เข่ามมีอันไหนไม้ไหนใส่เข้าไป ไม่รู้เขาไม่รู้เรายพอครั้งที่พอวันที่สองออกมานี่อพอจะเห็นเลือนลาง เ, าเพียงพั้มเขาเพียงพั้มมาหน่อยๆพอวันที่สามนี่ยรู้สึกว่าเราเลือกนอกได้แล้วไงพอวันที่สี่ขึ้นมาเร า, เ, า, เ, าเป็นฮีโร่เลยเป็นผู้นำแปบลบว่ากิเลสสยบลง ก, กิเลสมันยบลงเลยท่านประกาศในใจเออถ้าเป็นลักษณะนี้ เราจะไม่เสื่อม อ, อมันคงไม่ไหลไปทางเก่าอีกไม่เสื่อมให้กายมันเชื่อมั่นในตนเองนะท่านว่านะแอบเพราะฉนั้นท่านจึง เ, เดินปากจากนั้นมาท่านก็ไม่เสื่อมจริงๆพอเดินจากนั้นก็เดินวิปัสสนา พ, พิจารณาแอบแต่ว่าก่อนที่จะเดินได้กะท่านก็บอกว่าโอ้โหมันติดอยู่ในสมาธินั่นะมันจิตสงบตอนนั้นก็มีความสุขจริงๆนะงใช่ไหม อ, อพอก็มันสงบ จนหลวงปู่มั่นท่านนะเอยมหาเป็นไงภาวนาโอจิตสงบดีมากกรบผมไม่มีอะไรเอ้าจะให้มันสงบสิตรงนำไปพิจารณาสิพิจารณานะพอถามอีกแตยังยังไม่ออกแต่ท่านอ้าททำไมต้องพิจารณานะสมาธินะ่เพียงแต่เหมือนกับเนื้อติดในลฝันเท่านั้นเองจะหาความสุขได้ยังไงต้องพิจรารณาเข้าใจไหม ลงตาลงปูมันกันนาบสามครั้งหตลงตายังค่อยออกนะพอออกโอ้โหพิจารณาเขานี่ไปมักใหญ่เลยเตลิดเปิดเปิงเลยสิพอเห็นผลเห็นผลในการพิจารณานะแต่ก่อนโอ้ยเรานอนตายอยู่ในสมาธิมันไม่เห็นผลอะไรเลยมีแต่เข้าไปกับเป็นนอนคดโ่อยู่ในห้องแอร์เท่านั้นเองเมื่อเราออกมาสสแสวงหาเงินมันได้เงินได้ทอง เป็นกอบเป็นกรรมขึ้นมาอันนี้สิมันจึงจะรวยอันนี้สิมันจะจึงจะถูกต้องฮะท่านว่าจากนั้นท่านออก็ออกไปออกไปมันออกไปเกินไปเลยออกไปตะลิดเปิดเปล่งจนไม่พักไม่ผ่อนไปกาบเปลี่ยนท่านหลวงปู่หลวงปู่มั่นเกิดกันหนาบอีกท่านว่านะอหลวงตาท่านพูดเพราะนั้นเราก็ยึดแนวแถวปฏิปทาและแนวแถวองค์หลวงตาเนี่ยนะ เป็นแนวทางสําหรับพวกเราสมัติก็คือทําจิตใจให้สงบถ้าคนจิตใจไม่สงบแล้วจะพิจารณาทางด้านปัญญาเป็นสัญญาสังขารมันไม่เป็นปัญญานะมันเป็นสัญญากระสังขารชัญญาคือความจําได้หมายรู้สังขารคือความปรุงแต่งเท่านั้นเองมันจะไม่เกิดปัญญาที่แท้จริงถ้าเอาเราชําระจิตใจสงบนิ่งแล้วเรานํามาพิจารณาทางด้านปัญญา นั่นก็เปิดเกิดปัญญาที่แท้จริงอันหเมื่อเราพิจารณาแล้วแต่มันเหนื่อยมันเหนื่อยนะนการพิจารณาทางด้านปัญญาเยออกไปใหม่เนี่มันเหนื่อยก้าวออกไปใหม่เนี่มันไม่อยากจะออกลนะเหออมือนกับจูงหมาใส่ฝนลักษณะอย่างนั้นละแต่ในี้เมื่อมันออกไปแล้วเนี่ยเออมันเห็นผลแลนีไงไล่ล่ากิเลสเลยหมาตัวนั้นนะ่ะไม่กลัวฝนเลยทีน้ไ อ, อแต่จะนั้นยังไงก็ตามเมื่อไล่ล่ามันเหนื่อยแล้วก็ต้องกลับเข้ามาหาสมาธิ ลงามาหาที่ล้มพักพักจิตพักทับพอพักทับจิตได้กําลังเอาไปพิจารณาเองอันนี้เรียกว่าปฏิบัติถูกต้องปฏิบัติถูกต้องตรงลักษณะอย่างนี้สมถตคือทําจิตใจให้สงบวิปัชนาคือนําจิตใจออกไปพิจารณาพิจารณาอะไรหลวงพ่อก็เคยพูดเคยกล่าวบางคนก็พิจารณาธาตุสี่ดินน้ํำลมไฟ ในร่างกายของเราร่างกายของเรามีอะไรมีธาตุซีด่นก็คือกระดูกของแข็งกระดูกของแข็งในร่างกายเนี่ยจะไรเป็นของแข็งเป็นกระดูกทั้งหมดเป็นดินทั้งหมดน้ําคืออะไรพวกน้ําเลือดน้ําปัสสาวะน้ําต่างๆอยู่ในร่างกายของเราถาดน้ําถาดลมคืออะไรคือถัดลมลมหายใจเข้าออกลมในช่องท้อง ลมอยู่ในร่างกายของเรามีธาตุลมธาตุไฟคืออะไรธาตุไฟคือถึงทำให้ร่างกายเผาอาหารให้ย่อยอทําให้ธาตุไฟมันวิ่งมีเหงื่อออกถ้าไม่มีธาตุไฟเท่าธาตุไฟดับนะนะมีแต่สามธาตุอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ได้ตายอยู่ไม่ได้ธาตุน้ําดับถา่านน้ําหมดเหงื่อหมดเลือดหมด ตายเหมือนกันลมไม่ออกลมหมดตายอีกเหมือนกันแต่ธาตุดินเป็นพื้นฐานธนะาตุดินก็คือร่างกายเป็นพื้นฐานอยู่แต่สามสามธาตุนะมามาอาศัยธาตุดินนะเพราะฉะนั้นเราจะพิจารณาเป็นธาตุก็ได้หรือพิจารณาเป็นอสุภะปฏิกูลก็ได้เพราะร่างกายสังขารนะมันของเน่าเปื่อยนะมันไม่ใช่ของเสร็จสวยงดงามนะ อีกสักวันหนึ่งเขาเผาไปทิ้งแน่ๆนะไม่เป็นอย่างอื่นนะร่างกายของเรานี่นะให้เห็นเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟให้เป็นสองอสุภะปฏิโกณจากนั้นเอาตลกหนังออกไปตลกเนื้อออกไปให้เยอะให้เหลือแต่กระดูกให้เป็นแต่โครงกระดูกเราีพิจารณากระดูกะนะหเห็นกระดูกตั้งแต่ศีรษะจนถึงฝ่าเท้าจนถึงฝ่าเท้าขึ้นมากระดูกพิจารณา ก, กลับไปกลับมา ตลบไปตลบมาหลายครั้งต่อหลายหนเมื่อพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนตอนนี้ใครเป็นคนพิจารณาคือใจของเราไปไปดูร่างกายจากนั้นก็ย้อนมาหาตัวผู้รู้คือใจใจตรงนี้ใช่ไหมมาหลงร่างกายในเมื่อเราไม่ถลกหนําเป็นรูปร่างกลางตัวเสร็จสวยงดงามเขออมาว่ามันจะอยู่โชวฟ้าดินสลายอย่างนั้นจะไม่ใจเออมันย้อนเขามาหาตัวผู้รู้คือใจแล้วนะทีนี้เข้ามาเนี่ยนี่แหละ เมื่อเข้ามาหาตัวโพรู้คือใจใจก็เห็นก็ใช่แต่เมื่อเป็นร่างกายยังสมบูรณ์บริบูรณก์ก็ว่าเฉดสวยงดงามติดในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเสื่องสัมผัสในร่างกายทั้งเขาทั้งเราแต่มาถึงบัดนี้มาพิจารณาอย่างนี้แล้วใจของเราเป็นหลงท่านเองนี่แหละเมื่อพิจารณาดูแล้วใจมันปล่อยวางที่ใจเลยไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นที่ใจ เ, เพราะเห็นตามความเป็นจริงได้ มันเป็นอสุภะปฏิกูลมันเป็นธาตุสีดินน้ำหลงไฟมันมีแต่โครงกระดูกอยู่ในร่างกายขนาดร่างกายของตนเองแท้แท้ยังไม่ใช่ตัวของเราเราจะไปยึดอะไรร่างกายของคนอื่นเราจะไปยึดอะไรยศทศยศธานบรดาศักด์เราจะไปยึดอะไรเงินคำทรัพย์สมบัติเราจะไปยึดอะไ ร, ร, ร, ะไ ป, ะไรประเทศชาติบ้านเมืองโลกอันนี้มันไม่ใช่ของเราขนาดร่างกา ย, อยของเรายังไม่ใช่ของเราเนี่ยนี่แหละ ธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านให้แนะนําสั่งสอนให้มาพิจารณาอย่างนี้นะลูกหลานคณะสัทธาญาติโยมทุกๆท่ทานนะจากนั้น่ะมันมรรคผลนิพพานไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจนะตัวรู้แจ้งเห็นจริงมันอยู่ที่จุดนี้ทนะ่านั้นพอมาหาจุดนี้มันอยู่ที่นี่ทั้งหมดปล่อยวางที่นี่แล้วก็จบเลยนะเนะี่อันนี้แหละคือถึงมรรคถึงผลจุดนั้นเอ มันบอกตัวเองเลยอิม่มข้าไปเจ้าอิ่มแล้วพอแล้วเนะียอย่างพระพุทธเจ้านะชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่เกิดอีกแล้วสิ่งที่จะให้เกิดเราชําระหมดแล้วในใจของเราใจของเราหมดกิเลสราคะโทสะโมหะแล้วใจของเราบริสุทธิ์แล้วชาติต่อไปไม่มีอีกแล้วนะอันนี้มันรู้ด้วยตนเองนะคณ า, า, าจาทย์ญาติโยมแต่ถึงยังไงก็ตามบางคน พวกเราไม่เคยเดินถึงจะมันจะประกาศยังไงก็ตามให้ดูเันเองบางทีมันจะประกาศหลอกก็ได้อย่าไปเชื่อมันง่ายๆใจตรงนี้มันตรบตะแลงมันไปรบกี่ครั้งตกกี่หนแล้วเราจะไปเชื่อมันง่ายๆไม่ได้นะมันจะเป็นยังไงคือนมาเราต้องสังเกตตัวเองอย่าไปพึ่งอย่าไปพูดอย่าไปให้คะแนนมันมากอย่าไปให้มันคะแนนมันก่อนดูดูไว้ชัดเจน เออเพราะเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรเราไม่ได้อยากจะได้นายเราไม่อยากจะได้ตาเราไม่อยากจะได้ยศถาบรรดาศักดิ์อยาไม่ไม่อยากจะได้คนมายกย่องยกย่องก็เท่านั้นแหะจะได้อะไรถ้าความบริสุทธิ์ของเรามีเท่าไหร่มันก็มีเท่านั้นแหละเออจะไม่เห็นจะไปเดือดร้อนที่ตรงไหนแล้วเราต้องการอะไรจึงจะประกาศให้คนรู้ฮะแต่พระองค์หลวงตาเนะี่ยท่านประกาศพบจุกนี้สมัยนี้นะคนรู้สึกว่ามรรคผลนิพพานมีไหม ไม่มีมรรคผลในผานหมดการหมดสมัยเสร็จแล้วนะดังสนั่นวันไหวไปในโลกในยุคนี้หลวงตาก็เลยปกเปิดประกาศไม่ใช่มรรคผลในพานอย่างบริบูรณ์นี่เราเนี่ยคือพระรหันต์หลวงตาประกาศออกมาแต่ก็เป็นที่หือฮากันโจดค้านกันพอสมควรแต่แต่ไม่ใช่หลวงตากับหลวงพ่อวะน่นก็อยู่อยู่ลาบากเหมือนกันน ะ, ะแต่หลวงตาไมา่กลัวใครทั้งหมด เหมือนพระราชสีเดินลงไปกลางทุ่งนะจ๊ะหมาจิงจอกจะเห่าแหนขนาดไหนก็เถอะเออราชสีเฉยถ้าตัวไหนมาใกล้ๆก็ตะโปบไวซะถ้าหากว่าตัวไหนไม่มาใกล้ก็เห่าข้างนอกพระราชสีไม่ไม่สะทกไม่จะทานเพราะกำลังตัวเองมากอยู่แล้วพร้อมทีเทอรับได้กับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เขาติชินอินทาเนะี่ยนี่แหละ แต่พวกเราท่านทั้งหลายบุญบารมีบุญวัสนาบารมีไม่เหมือนอย่างนั้นเราก็ต้องสำรวมระวังเกี่ยมตัวเอาไว้โลกสมมุติไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันนะพระเนรลูกหลานจัทธายาติโยมพวกเราทุกท่านนะวันนี้หลวงพ่อให้แนวความคิดแนวหนึ่งจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ไปฟังเทศกันนะัที่นี้นะเอานั่งคัตสมาธินะพวกเรานะ